หน้าฝนไฟไม่ค่อยจะไหม้ที่นั่นที่นี่ตามป่าเขาลำนาภัยแต่หน้าแรงไฟชอบไหม้ในที่ต่างๆแม้ที่สุดภายในวัดถ้าแห้งรัฐฐานที่แห้งแรงมันก็ไหม้ได้ดีอย่างวัดป่ามันตรดยเคยถูกไฟไหม้มาแล้วหลายหนหนีเพราะความแห้งแรงนั่นเอง จิตใจแห้งแรง้งด้วยธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมเป็นเครื่องทําความเย็นไฟกิเลสตัญหาอสร ะ, ะย่อมก่อตัวขึ้นได้เลย อ, ยอะไรผ่านเข้ามาเป็นไม้หมดไม่หมดไม้หมดไม่ในสถานที่ใดสถานที่นั่น จ้อม่เสียหายเมื่อนคิดเียกตัญหาอาสวะไมมภายในจิตใจทำไมจิตใจจะไม่เสียหายมีคุณค่าขนาดไหนก็อับเฉาไปได้จนกระทั่งหากคุณค่าราคาไม่มีภายในจิตใจดวงที่ถูกไฟไหมอยู่ตลอดเวลานั้นสมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหมแล้ว ยอมเสียหายมากน้อยไปตามส่วนที่ถูกไหมนอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเขาจึงเรียกว่าตู้นิรภัยสำหรับความปลอดภัยแห่งสมบัติอันมีคา่าเช่นธนาคารต่างๆเขามีไว้อย่างนั้นเราได้มีตู้นิรภัยบ้างหรือไม่ภายในจิตใจหรือเปิดรับไฟกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยูเนินนั่งนอนเปิดไม่หยุดไม่ถอยไม ยังไม่มีอะไรเหลือหรอไม่คิดใช้ดายอะไรบ้างเอรอนี่เป็นความคิดสอนตนเองจิตใจหาความผาสุกไม่ได้เพราเพราะถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาราหะคินาโทสักคินาโมโหบคินานั่นตามอธิธปริยาสูตรท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอะไรที่จะผิดเป็นความถูกต้องมาตลอดการ เราได้นำแง่แห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรามาเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นเราก็พอที่จะมีทางหลบหยิบหยิบตัวหาที่ชุ่มเย็นได้เป็นการเป็นเวลาไม่ได้ถูกไม่แพ้เสียตลอดการดังที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบาเพ็ญในเวลานี้ก็ดีวิที่ผ่านมาแล้วก็ดี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 เป็นความยากลำบากถ้ามันติดมากๆที่ไม่ดีน้ำยังสู้มันไม่ได้น้ำเลยกลายเป็นลมไปหมดเพราะอำนาจแห่งลมมันพัดผันนี่ภายในก็เหมือนกันน้ำอัดน้ำถมถ้าไม่พอกับไฟไฟก็ดับลงไม่ได้ันั้นจึงต้องพยายามสั่งสมอบรม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 ภายะจิตใจร่างกายของเรามันเหลือแต่ร่างกายจิตใจก็เหลือแต่สัวพจวารู้ความรู้ทั้งหมดนี้ก็ไปทุ่มเทให้กับความแบบทุกข์ที่กิเลเพรพเขาขาน ร, รู้ก็รู้ไปด้วยทุกข์ไม่ใช่รู้ไปด้วยความสุ ข, ขความสบายไม่ใช่รู้ไปด้วยความเฉียดลี่ยฉลาดกาดเตื่องความรู้อันนี้ก็ อ, อ, อ, อยูใต้อํานาจแห่งความทุกข์ให้ความพุกเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลย การสร้างคิดตภาวนาขึ้นโดยสม่ำเสมอในความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเราให้ปรากฏความเมต่าเยินขึ้นมาโดยลาดับสิ่งที่ทำได้สิ่งที่เป็นฐานะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนั้นอันใดที่ไม่เป็นฐานะคืออัฐานะคือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทรงนำมาสั่งสอนสารโลกการที่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 เรามีความขยักขแยงในความคุกทั้งหลายจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นสิ่งที่มันพึงปราถนาน้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งใดที่จะนำมาแก้สิ่งที่มันพึงปราถนา น, นี้นอกจากทำเมื่อได้ทราบทั้งโดยเหตุผลแล้วเช่นนี้การบำเพ็ญธรรมจะยากหรือง่ายนั้นไม่สำคัญเพราะความตรงใจความพอใจและเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่แล้วให้ต้องทำ ใครจะไม่ขี้เกียจเพราะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสด้วยกันทุกคนความขี้เกียจต้องขึ้นหน้าเสมอความขี้เกียจไม่ใช่ทำที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์เป็นความที่จะทำบุคคลให้นอนใจและล่มจมลงไปโดยลำดับตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้ า, จาท่านก็เคยมีมาแล้วแต่ทาไมจึงได้นอก มีความสามารถนอกเหนือจากสิงที่เคยกด่วงจิตใจนี้หรือเคยมีอำนาจต่อจิตใจนี้ให้จิตพระองค์เหนืออันนี้ไปได้เราควรนำเข้ามาเทียบเทียงและยึดหลักของท่านไว้ยากก็ทำถ้าเราเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นพายจริงๆ การแก้ทุกข์ก็ต้องเป็นของสำคัญไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราขยะแขยงสิ่งที่เราเกลียดเรากลัวนั้นจะไม่พ้นจากการเจอกันตลอดไปจนได้จะหาทางลบดีจีตัวด้วยความคิดเฉยโดยไม่มีการกระทำนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรจะการทำด้วยวิธีใดจะยากกับง่ายเราต้องทำตามวิธีนั้นๆซึ่งเป็นทางถอดถอน สิงที่ไมาถึงปราบธนาออกจากจิตใจของเราแถวนี้เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนพูดถึงเรื่องเบิกการเกิดตายแล้วและพูดถึงเรื่องความทุกข์ในระหว่างแห่งพบนั้นๆจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะเป็นสองรองกันได้เลยเพราะต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันพบน้อยพบใหญ่ทุกน้อยทุกให ญ, ให ญ, ใหญ่ทุกมาด้วยกันไม่มีใครที่จะนําพบชาติมาแข่งขันกันได้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 อาถรรมาแข่งขันกันหน้าว่าใครมีความทุกข์มากน้อยต่างกันอย่างไรนั่นนี่เหมือนเหมือนกันพอๆกันขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้นําทางเป็นผู้สุดลากเป็นผู้พาเดินแล้วต้องเดินไปเพื่อความเป็นทุกข์มากน้อยโดยลําดับลำดั บ, ดบเช่นเดียวกันหมดถ้าหาเรายังจะฝืนยอมเชื่อกิเลสอยู่ล่าไปแล้วเราก็จะต้องเป็นได้รับความทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสล่าไปเรื่อยไปตลอด สายไม่มีเบื้องตน้นเบื้องปลายว่าเมื่อไรเราจะพ้นจากกองทุกนี้ได้ถ้าเราไม่ฝืนการฝืนเป็นเรื่องทำฝืนด้วยเหตุด้วยผลของเราที่ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนั้นเป็นทุกข์จะต้องแก้ด้วยวิธีนี้แก้ด้วยวิธีนั้นวิธีใดที่ถูกต้องในการแก้ทิเหลวแก้ความทุกข์เราต้องนาํามาใช้จะยากหรืองายไมส่สําคัญเช่นเดียวกับเครื่องมือ จะหนักหรือเบาต้องนายช่างต้องยกมาทําหยิบมาทําทั้งนั้นถึงวาระงานใดที่จะต้องทําด้วยเครื่องมือใดหนักก็ต้องยกขึ้นมาทําเบาต้องเอามาทําจนกระทั่งสิ่งที่ต้องการนั้นสําเร็จล่วงไปโดย ล, ลําดับถึงขั้นสําเร็จอันสมบูรณ์มีเครื่องมือที่จะบําเพ็ญเพื่อแก้ทีเหลือทันหาธรรมะ ที่จะปลูกสร้างจิตใจขึ้นให้เป็นหน้าเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่ก็จะต้องสร้างด้วยเครื่องมือคือทำทำที่เป็นเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะต้องนำมาใช้ในเวลานั้นๆั้งการบางเวลาจิตใจไม่ถูกกิเลสยั่วย้า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 สติปัญญามีเท่าไรจะต้องนำมาใช้ในเวลาเช่นนั้นหนักก็ต้องใช้ลำบากยากเย็นเฉนใจขนาดไหนต้องใช้ทุกขนาดไหนเพราะความเพียรก็ต้องนำมาใชา้ทุกเพราะความเพียรไม่เป็นไรทุกเพราะเรื่องของกิเลสนี้ที่ลึกจมแล้วหาวันฟูวันโผล่หน้าขึ้นมานได้่วนทุกด้วยการประกอบความภาพเพียรนี้ เราทราบทุกทางการแล้วก็ ح, ทราบเช่นนั่งนานเดินนานเราทราบอุบายวิธีต่างๆที่ยวคิดเป็นความยากความลําบากแล้วก็ทราบแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากความยากความลาบากมันเกิดขึ้นจากความเพียงนี้นั้นเป็นความสุขความสบายความหยาบพายขอ ง, งจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงหวังคุณตักธนากันอยู่แล้วนี่เมื่อมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียงกันอยู่เสมอและมีเครื่องตอบรับกันเรื่อยๆนี้แม้จะลําบากเพียงไรก็พอตะเกียบตะการกันไปได้ด้วยกัน ถาหากมีแต่ความลำบากอย่างเดียวไม่มีผลคือความถูกความภาถาึงเครื่องตอบแทนเลยใครก็เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้อยามาตย์จาคนเราสามัญธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าก็แตสลูกขึ้นมาไม่ได้ <S <S สาวกอรหลัดอาหารที่เราเต็งวาจาฤติทิศน้ำใจต่อท่านมาพุทธทางธรรมังสันคังสันนังฉามนี้ก็มไม่ปรากฏมีในโลกขึ้นมาเลยมันก็ต้องมีจังหวะที่จะพอสู้กันได้คนเราสาคัญที่ความพยายาม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 ทำก็ได้จะศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะศรัท ธ, ธาคือความเชื่อต่อผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วและประกาศทำสอนโลกก็เป็นนิยานิกระทำจริงๆนี่เป็นศรัท ธ, ธาความเชื่อแม้เราเองจะมือประพฤติธปฏิบัติดังที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็แน่ใจว่าจะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับนี่ศรัท ธ, ธาวิยะคือความภาคความเพียรทําอะไรถ้าทำด้วยความภาคความเพียรแล้วดีทั้งนั้น ไม่ว่ากิจนอกการใหม่ถ้ามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วต้องสำเร็จและสวยงามน่าดูน่าชมสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะวากรรมกับงานนั้นๆไม่ให้คลั้งเผลอผิดพ่าแไปได้สมาธิมีความมุ่งมั่นต่อกิจการของตนไม่หวั่นไหวคอนแคร์เอาจนถึงขั้นสำเร็จนี่เรียกว่าสมาธิในทางเหตุ สมาธิในทางผลปรากฏขึ้นมาเป็นความแน่วแน่มั่นคงของจิตเป็นความถุกความสบาดเกิดขึ้นจากเหตุคือความมั่นคงในการกระทําไม่บลัแลกค่อนแคร์ไม่เอเอียงตั้งหน้าตั้งตาทําจริงๆนี่คือสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลคือความสงบของใจจนกระทั่งเป็นเอ ก, กรคตาที่ท่านเรียกว่าเป๊ะมีอารมณ์อันเดียวเท่า น, านั้นไม่มีอะไรเข้ามาพึ่งผื้น ปัญญาคือความสอดส่องมองทะลุไปหมดอะไรลายก็ตามต้องใช้ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสอดส่องมองดูเหตุการณ์หน้าที่การงานนั้นจะได้ผลเสียหายหรือผลสมบูรณ์ประเพณอย่างไรบ้างต้องอาศัยปัญญาพิณิพิจนาบวกลบคุณหารกันไปในตัวนี่แหละทำที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมหลับไม่ว่ากิจการงานอะไรที่จะสมบูรณ์ไปได้ประการหนึ่งท่านเขาเรียกว่าอิทธิบาทสีนั่น เป็นสิ่งสําคัญชันทะเนี่ยพอใจกับเราพอใจกับอะไรชันทะพอใจกับกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาคือคนพอใจในสิ่งใดย่อมมีความเจาะแสวงในสิ่งนั้นใฝ่ใจในสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นกันมาแต่อิทิบาททั้งสี่นี้ไม่ได้หมายถึงทางต่ำตามเช่นนั้นหมายถึงความดีที่จะให้เป็นผลสําเร็จขึ้นมาตามความมุ่งหวังท่องตงทนเดียวว่าอิทิบาทคือสิ่งที่จะทําให้สําเร็จตามความมุ่งหวัง ได้เมื่อถูกวิสัยทั้ง์มนุษที่กะทึงทำได้ฉันถ้ามีความพอใจไฟกับวิริยะอันเดียวคันท้าวิริย ะ, ะจิตตะไฟใจไมให้ห่างเหินจากกิจการงานที่ตนทำวิมังษ า, าก็คือปัญญาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละทำที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคือจะสร้างจิตให้มีรากมีฐานสร้างหน้าที่การงานให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วน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 เื่อความภาคเพยียนโดยวิธีต่างๆย่อมจะมีความผา่องใสมีความสงบเย็นใจมีความสุขความสบายขึ้นมาเพราะข้าสึกห่างไกลออกไปจากการด้วยการชำระของผู้มีความเพียรนี่เป็นกุญแจอดอกสำคัญที่จะขายสิ่งที่คึงปรารถนาทั้งหลายให้สำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้ มาใจความคิดความต้องการเฉยๆโดยมีความท้อแท้อนแอบเป็นเครื่องสุดรากเอาไว้ไม่ให้กำนวนงานงนั้นๆเป็นไปโดยสมบูรณ์เราจะทำอะไรคิดอะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาของพวกเราการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างทำเมื่อเกิดความท้อแท้อนแอบขึ้นมาให้เลืกอถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อแอหรือตรัสรู้ด้วยความภาคเพียนในธรรมที่กล่าวมานี้สัทธาวิยะสติสมณทิปัญญานี้หรือตรัสรู้ด้วยอะไรเราจะอะไรมาบำรุงจิตใจของตนมาส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นความสูกความเจริญอย่างน้อยก็เป็นสิทธิที่มีครูถ้าไม่จะทําดังที่พระพุทธเจ้าสมณเพนและรู้เหตุรู้ผลมาแล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เ ป, ทเป็นที่หน้าเดินไปได้เลย คำว่าธรรมังสัณังกชามีเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุใดถ้ามาเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมทั้งห้าประการนี้คือศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ธรรมธรรมังสนณังกชามีเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เองเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมทั้งห้าประการนี้ประจำองค์สังฆังสนณังกชามีก็ไปในแนวเดียวกันถ้าสงสาวกทั้งหลาย ไม่ใช่ผู้อ่อนแอท้อถอยจะออกมาจาก ส, สกุลใดๆก็ตามตั้งแต่พระชามหากษัตริย์ลงมาพ่อค้าศึกที่กระดุมผีถึงบุคคลธรรมดาเมื่อกล้าวเข้ามาสู่ความเป็นสาสยาบุตรพุทธคินโรติโนรถที่ปรากฏในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้พร้อมด้วยความเพียรขั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงความเพียจรจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะโยกฐานะของจิตใจบุคคลเรา ให้ขึ้นสู่ระดับถุงโดยลำดับลำดับถูกสดวกความแ้แส ว, วัตธทําห้าประการนี้ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่แหละจะสามารถยกจิตใจที่แม้จะล่มจมลงขนาดไหนก็ตามถ้าเราได้ยกทำทั้งห้านี้เป็นเครื่องพยุงแล้วดีขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่สงสัยในอธิบาททั้งสี่ก็คพมทราบว่าเกี่ยวโยงกันเช่นนี้ นี่จะทาที่ยกฐานะของจิตใจไม่ได้กดท่วงเหมือนอย่างสิ่งที่เคยกดท่วงในภาณจิตใจทั้งหลายท่านเดินตรงๆรงางองฝ่าเท้าแต่มางเพียนหรือไม่เพียนขนาดฝ่าเท้าแต่ บางองค์ไม่นอนตลอดรายมากคือสามเดือนจนจักสุแตกบอดอเช่นพระจักรุบาลกันต้นท่านลำบากไ้ยท่านประกอบความเขยนเราพิจารณาเลเราไม่ถึงกับให้ตาแตกขนาดนั้นขนาดกิเลสทุรนทุลายมันก็ยังดีหาที่หลบที่ซ่อนก็ยังดีอย่าให้กิเลสมันเลยลวนพ่วนเปี่ยนไปหมด ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกาทางใจมีแต่เรื่องของกิเลสก่วนเกพื่อนไปหมดหาตัวหาตนห า, าท่าทำไปจิตใจของเราไม่มีเลยแล้วเราจะหาความลบเย็นมาจากไหนเพื่อดัดกิเลสบ้างซึ่งเคยเป็นใหญ่เป็นตัวพาณาจิตใจของเราจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่กล่าวนี้ให้แนบทนิคติดกับใจอย่ารักอะไรยิ่งกว่าธรรมนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลส ให้แก่ใจอันเป็นที่รักที่สงมวนอย่างยิ่งในชีวิตของเราก็ขู่ใจให้เน้นมีอิสระเสรีขึ้นไปโดยลําดับใจอิสระกับใจที่มอบอยู่ใต้หน้าของกิเลสอันไหนดีคนเราที่มอบอยู่ใต้หนาาของเขาไม่มีสละภายในตนเลยกับคนที่มีอิสระเสรีอัดคนไหนดีนะจิตใจที่หมอบหน้าเกูดกับกิเลสตัณหาสวาทั้งหลายมาเป็นเวลานา น, าน แล้วถ้าเรายังไม่เบื่อพออยู่แล้วเราจะต้องหมอบราบไปเรื่อยๆถ้าว่ามีความเบื่อความพอความอินหนาละอาจายความความเห็นโทษของสิ่ง น, นี้แล้วก็จะมีทางต่อสู้มีท่าต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็มาลงในธรรมห้าข้อ น, นี้เป็นเครื่องมือสําคัญสำหรับปราบกางขี้เหร่เราทั้งหลายเหล่านี้ให้แหลกเหลวไปได้สนามรบของผู้ปฏิบัติคือสถานที่ใดเป็นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา หามรุ่งหามคำ่ำท่านเอาอะไรเป็นสนามลบเป็นสถานที่พิจารณาในหลักธรรมท่านสอนว่าสัจธรรมทั้ง 4. สี่สัจธรรมทั้งสนั้นมีอยู่ในที่ใดถ้ามันมีอยู่ในการในจิตของมนุษย์เหล่านี้เราก็เป็นมนุษย์คนน่เราเดินโยมกลมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อหาอาาัธยาธรรมเราจะหาที่ตรงไหนถ้ามาหาในสัจธรรมการหาในสัจธรรมหาอย่างไรทุกก็ทราบแล้วว่าทุกมันเกิดขึ้นในการในจิตของบุคคลและสัตว์สัตว์เขาไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติ แก้ไขแต่เราเป็นผู้รู้วิธีแก้ไขคำว่าทุกเป็นสิ่งที่พึงตากถนาแล้วเหรอเกิดขึ้นในกายก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงหวังเลยกายยู่เฉยก็ตามถ้าทุกเกิดขึ้นจะมีความรำสำรษ า, าอากัติยาจะไม่น่าดูเลยถ้ามันเกิดขึ้นมากๆยิ่งดูไม่ได้จิตใจที่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นมากๆน่าดูแล้วหรือแสดงมาทางใดเป็นไยไปหมดเพื่อความระบายทุกข์ความจริงเพื่อความเพิ่มทุกข์ทั้งนั้นโดยเจ้าตัวไม่ทราบเลย คนที่มีความทุกขมากจึงต้องระบายออกในท่าต่างๆดังที่เราทราบกันนั่นถือว่าเป็นทางระบายออกของทุกข์แต่ความจริงนี้เป็นการสั่งสมหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเป็นความเข้าใจเฉยว่าตนละไมายทุกข์ออกมาคนอื่นเดือดร้อนจนแทบตายเพราะความดุด่าวากาแสดงกิริยาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาจากของไม่ดีไม่งามที่มีภายในจิตใจของตนเมื่อระบายออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดร้อนไปหมดเขาก็ปกไปด้วยกันหมด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 นลากราของมันจริงๆอยู่ที่ไหนไมันก็อยู่ที่ใจมันฝังอยู่ที่ใจในี้ทั้งนั้นไม่ได้ฝังอยู่ที่ไหนเราพิจารณาค้นคว้าเข้าไปภายในร่างกายของเราแล้วก็ย้อนเข้าหาใจมันคิดปรุงเรื่องอะไรปรุงทั้งวันทั้งคืนปรุงแต่เรื่องความทุกข์ความร้อนให้ตนและหาที่ดับไม่ได้อันทึงสอนให้มีสติปัญญาพิจารณาตรวจตราดูคาําคิดความปรุงของตน อา้าวมันจะห่วงนะจะห่วงในขันห่วงไปอะไรอืมเกิดมาแล้วจะไม่มีบาดท่าเหมือนโลกทั้งหลายเขาหรือถึงได้ห่วงได้ห่วงนะแล้วจะสําเร็จประโยชน์ไหมความห่วงของเรานี้สําเร็จไหม ม, มันจะไม่กลายเป็นยำปิปดฉันราิฏิตำปิดทุก ข, ขังขึ้นอีกเหรือนัอ่นป่าธนาเมื่อไม่สมหวังแล้วมันจะเกิดกองทุก ข, ขึ้นมาภายในหัวใจอีกอทําไม่ป่าถนาถ้าในพิจารณาตามความจริงรูปรขันนี้มันตั้งขึ้นแล้วเพื่อแต่ไปไม่ได้เพื่อ อ, อื่นใดทั้งนั้น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 มันเป็นกาฝากแล้วก็มากัดมาชัยเราให้เดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเราถือว่าเป็นเรามันก็ไปเกิดความทุกข์ก็มากัดมาชัยเราเนี่ยเวทนาก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เราเคยปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งบัดนี้ไม่ว่าสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังน่าตาเหมือนกันมันเกิดมาเพื่อดับไปเกิดมากพืดับไปขึ้นใช่อ ว, ว่าสมมุติแล้วมันมีอะไรจีดังถาวรนที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้เนี่ย ทุกที่ตรงไหนเวทนาเวทนาในร่างกายเราพอพิจารณาได้ปัญญายังพอสอดสองลองทะลุไปได้ทุกภานใาานใจนี่สิสำคัญทุกภานในกายเป็นแล้วเกิดทุกภายในใจขึ้นมาอีกก็เพราะก็ เ, เพราะเรื่องของสมุทยัยคือเรื่องของขี้ตัวเดียวเท่านั้นแหละหลอกคนให้ทราบชัดเจน การพิจารณาร่างกายก็เพื่อจะแก้ไขความรูมหลงของตนที่มาสาคัญว่ากายนี้เป็นตนการพิจารณาเวทนาทุกเวทนาสุขเวทนาก็เพื่อจะลบร้างทุกเวทนาเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นตนออกจากใจให้ต่างอันต่างกินเวทนาให้เป็นเวทนาเราให้เป็นเราคือความรู้อย่าเอามาค้าเข้ า, ขากันมันเป็นไปไม่ได้ เพราะอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นหนึ่งจะมารวมกันเป็นอันเดียวกันอวัยวะเดียวกันได้อย่างไรเช่นคนสองคนมารวมเป็นคนเดียวได้เหรือคนคนเดียวมนันหนักพอแล้วเอาสองคนสามคนสี่คนห้าคนมาแบกมันยิ่งหนักไปไม่ได้เลยแบกรูปแล้วก็แบกเวทนาแบกสัญญาแบกสรังขาน แ, แบกวิญญาณซึ่งต้นแล้วตั้งแต่เป็นของหนักเพื่ออุปท า, านแล้วที่นี้ผลที่จะสะท้อนกลับมาแล้วจะมาไหนถ้าไม่มาใจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนี้จะต้องเป็นทุกแต่ผู้เดียวทั้งๆที่ไม่ได้รับประโยชน์ออะไรรจาากกี่ถืนนั้เลย เรายังจะฝูนไปยึดไปถืออยู่เหรือการพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นตามความจริงของมันอย่างนี้อาวสัญญาความจำจ ำ, จำทลายลืมเท่านั้นต้องการก็ฟิดขึ้นมาใหม่ใหม่จำใหม่แล้วก็ลืมไปลืมไปเรื่อยๆจำได้แล้วลืมจาได้แล้วหลงลื ม, ลลมสัญญาว่าสาวิมุติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหาที่แย้งที่ตรงไหนสัญญาเป็นของไม่แน่นอนจา ได้ก็หลงลืมไปสัญญานิจจาเนี่ยท่านก็บอกแล้วคําว่าอนิจจานิจานั้นนี่จะท่านสวดให้คนตายฟังนะอนิจจาว่าจะสังคาราเราเจะมาสวดมาเสกมาสันเราให้เป็นคนขึ้นมาที่ไหนให้เป็นเราเอามาทั้งขันห่านี้ว่าเป็นเราได้ยังไงมันเป็นอนิจจานิจจังทุกของหน้าตาเพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยกกันให้เห็นละเอียดละอ่อเราไม่ต้องกลัวตาย ความตายไม่มีในจิตเราจะหาเรื่องตัวมาหลอกจิตเป็นการโกหกตัวเองแล้วก่อความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียกว่าฝืนธรรมคือความจริงของพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าและอย่าฝืนความจริงคือจะน้้เห็นตามความจริงด้วยอํนนานาจของปัญญาของตนนั่แนแหละผู้นั้นละ่ะชื่อว่าพูดทังสน า, กานกถา t h i อย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแต่ปากให้มันเห็นอยู่ภานในใจด้วยพร้อมทั้งความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วอย่างไรายสอนไม่ใน มวลสัตว์โลกเราก็เป็นมวลสัตว์คนหนึ่งในจำนวนของมวลสัตว์ทั้งหลายทําไมเราจะไม่ทราบตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ในภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้งสี่สังขารทั้งเดคือความปรุงเนี่ยมันจริงเมื่อไหร่มันปรุงมันปรุงมันแต่งขึ้นมาเสษขึ้นมาปั้นขึ้นมาทํารูปนี่ขึ้นมาเราทำรูปนี่ขึ้นมาจากถึงนั่นจากฝั่งนี้มาลูบเช่นรูปตุกตารูปตุกตาเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวก็แตก มีความปรุงก็เหมือนกันปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรมาเขามาหลอกตนเองนั่นแหละไม่หลอกที่ไหนเพราะจิตมันเจ้าจอมโง่อะไรอะไรมาหลอกมันก็เชื่อหมดไช่ว่าไงมันน่ามันน่งมันน่าหลอกมันก็หลอกเลยทีถ้ามีปัญญาแฝงนี้ด้วยความสกัดรัดกั้นอะไรเข้ามาเขากั่นก็ากรองได้ีแล้วเแม้สังขารจะปรุงสักกี่ร้อยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตามมันจะรอบตัวอยู่กี่ร้อยกี่พันครั้งเช่นเดียวกันโดยทางปัญญาอะไรจะมาหลอกได้สังขารก็ทราบแล้วว่าสังขาร ความรู้คือใจก็ทราบแล้วว่าเป็นใจแล้วไปหลงเขาทําไหมเขาเกิดมาจากตัวเองประทื่เงาทำไมะนี่ยทั้งขานเหล่านี้มันก็เป็นเงายินญานกับมันขานยับยับยๆบยยับเวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปรับทราบที่จิตที่จิตจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยสังขารด้วยสัญญาเอาหลอกขึ้นมาปั้นขึ้นมาหาตัวจริงมาได้ก็หลออขึ้นมาหลงอารมณ์ของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หลงอารมณ์นั่นแหละ ความหลงอารมณ์นั่นแหละเป็นความพุ่งขึ้นมานั่นเป็นผลแห่งความหลงเราไม่เห็นโทษของมันที่ที่ตรงนี้เราจะเห็นที่ตรงไหนการเรียนจะจะทํารมไม่เยนที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้จะรู้ที่ตรงไหนไล่เลียงมันไปนละเอียดละออขี่ตลบควบทวนไม่สําคัญสำคันด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องบอกอุปทานจะมีใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาจะขาดสะบ้นลงไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยถูกเมื่อถูกไล่ต้อมเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันไม่ไปไหนมันก็จะเข้าถ้าใหญ่มันคือว่าครูหาเสอย่างมันเข้าไปหาจิตนะครับตีเข้าไปด้วยปัญญาตัวนิจจังทุกขังละตามที่มันเป็นเงาเป็นเงาตัวจริงมันจริงมันอยู่ไหนไล่เข้าไปตัวจริงมันจริงมันอยู่ที่จิต นั่นรวมตัวให้จิตอันนั้นเงาของมันตื่นรูปตื่นเดชนาตื่นสัญญาตื่นทั้งขานตื่นวิญญาณนงรูปเวชะนาสัญญาทั้งขันวิญญาณปัญญาสวดิ์จอมมองทะลุอันนี้ไปหมดแล้วมันวิ่งเข้าไปสู่ภายในือจิตไปอยู่รวมอยู่จิตดวงเดียวถ้าจิตไม่โง่เสียเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตรงตรงนั้นเองเอาตัวจิตนั่นแหละมันวิ่งเข้าไปหลบท่อนในจิตทําลายในจิตเลยมันวิ่งไปหลบซ่อนเลยไปเสียดายในที่นั่นแล้ว โจรอยู่นั่นนะมันจะยิงหัวเราเออกมาอ้าวมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตึกในร้านใดจะราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามววระเบิดฟาดเข้าไปมันทังถลางไปหมดโจรก็ตายอ๋ออันนั้นจะชีพหายเขาชีพหายไปเรายังมีชีวิตยอยู่เราทําได้สร้างได้ขอเราอยากจะขอเราอยาก ต, ต, ตายก็แล้วกัดอันนี้ก็เหมือนกนารฟาดฟันมันลงไปมันเขารวมอยู่ในจิตพิจารณาเป็นกองทุกอณิจจังทุกขารตตาด้วยกันเพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวสมมุติฟาดฟันมันแหลกลง ออกภานในจิตนั่นเมื่อแลลงไปแล้วอาจรจิตจะทิพหายก็ให้ให้รู่มันไม่ทิพไส้สิอออะไรทิพหายก็ทิพหายไปแต่จิตมันไม่ทิพหายเพราะไม่มีป่าช้าในจิตนี่ตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าค่นไถ่ราคคิ น, นาโทสักขิ น, นาโมขิ น, นาหมดอน้ํำอมตะธรรม ศาสตร์ลงไปที่ตรงนั้นเหยียบวุฒิกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์เมื่อกิจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นหละคือความสุขเต็มที่มีอยู่ที่ตรงนั้นงานอะไรทั้งหลายแหลมายุติเป็นที่ตรงนั้นท่านว่ามุษิตังพระมัจริยังกตังกรณียังนับปรังอิุตายาติปชานาติ ได้เสร็จกิจหรือพรหมจันท ร, ร์ได้อยู่จ บ, จบแล้วกิจที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีกิจอะไอื่นนายก็ตามที่จะทํายิ่งกว่านี้ไม่มีเพราความรู้ชอบขอบคิดโดยสมบูรณ์แล้วแน่นี่คือที่สุดแห่งทุกมาสุดกันที่ตรงนี้ยอดแห่งธรรมก็อยู่ที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้นพุทธังธัมังสังขังสันนังขฉามิที่เราได้กล่าวถึงน้อมระลึกถึงท่าน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 เป็นสมบัติอันรุนค่าอยู่พายในใจอันนี้ทันนัยอันนั้นขันนั้นหมดปัญหาเฮ้ยเจ้านี้พ่านไปไหนฮรูปร่างที่เฉยสลายไปตามการของรูปขันอันนั้นเช่นเดียวกับาธาตุขันทั่วทั่วไปสถานที่นั่นที่นี่ของสาโลกมันไม่ได้ตายอยู่ในที่เดียวกันตายที่นั่นที่นี่ตามสมมตินยนิยมแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุโทโธ ทั้งดวงนั้นไม่ได้ชีพหายไม่ได้ตายไม่มีการไม่มีสถานที่เขาไปเหยียดย่ำทําลายเลยนั่นแหลคือพุทธะแท้นั่นแห ล, แ ท, แหลที่เราอ้างถึงพุทธังธรรมังสัตวังสัณังฉามีนี่อ้างถึงธรร ม, รมชาตินั่นแหละจะสูญไปไหนแนะ่ทำให้เห็นชัดๆก็ทาใหเห็นภายในจิตใจทั้งตนเอาอันนี้เป็นหลักฐานพยานธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอันนี้เจะได้เป็นหลักฐานพยานอย่างเต็มภูมิทีเดียว อันนี้เมื่ออันนี้ไม่ศูนย์อันนี้เป็นอย่างไงอันนั้นก็เป็นฉันนั้นเนี่ยเมื่ออันนี้ไม่สูนอันนั้นจะศูนย์ได้อย่างไงเี่ยเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเนี่ยบรรณาพระสาวกอรหันอรหันท่านเมื่อได้เข้าถึงธรรมประเภทนี้แล้วอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่กับธรรมอยู่กับพุทธธรรมะสังฆะได้ข้าวพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกเหมดความหวั่นไหวนี่นะ น้ำอำตมตะธรรมปราบไฟราคะตัณหาภายในจิตใจอย่ังเรียบราบไปเลยก็มีอะไรเหลื อ, อเตซังบูปะสมุสขโข ค, ความร ง, งับดับเหสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่สังขารธรรมภายในจิตใจสังขารที่เป็นตัวทั้งหมดไทยนี่แหละัะระงับดับไปหมด ถึงสุขเป็นบรมสุขที่กรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีอยู่กับเราทุกท่านที่รู้รรอยู่เวลาเนี้ยธรรมชาติที่รู้รรนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแก่ทาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความรู้นี้ขอให้ชำระสิ่ง ทงธรรมชาติความรู้นี้ให้พ้นจากสิ่งกดท่วงหรือกดขี่บังคับทั้งหลายออกไปโดยลำดับดับเถิดคำว่านิพานจะไม่ถามหาอยู่ที่ไหนเมื่อถึถงจิต บ, บริสุทธิ์แล้วจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมก็เห็นมาสุด ข, ขัวแล้ว